สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากทรีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรียสู ต, ตอนที่สามร้อยกสิบหกเรื่องวันสบาโตพี่น้องครับ พ, พระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสามพระธรรมลูกาบทที่สิบสามข้อสิบถึงข้อสิบเจ็ดครับโปรดฟังพระโอษะของพระเจ้าพระองค์กำลังทรงสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโต และมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเท่าสิงทํทำให้เป็นโรคสิบแปดปีมาแล้วหลังโกงตัวยืดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอย๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้ และสันเสรพระเจ้าแต่นธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ส่งรักษาโรคในวันสะบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามีหกวันที่ควรจะทำงานในหกวันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสะบาโตนั้นอย่าเลยแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโอ้คนหน่าสื่อใจคด เจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้ ว, วัวแก้ลาจากอคอกมันพาไปให้กินน้ำในวันสะบาโตมิใช่หรือฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮมัมซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสะบาโตเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นแล้วบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ ต้องขายหน้าและประชาชนก็เปลมปรีเพราะสปปรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำพี่น้องครับอีกวาระหนึ่งครับที่เปเยซูก็สั่งสอนในวันซับซาบาโตสถ า, านที่ที่เปเยซูสั่งสอนแน่นอนครับก็อยู่ที่ธรรมศาลาธรรมศาลานี้อยู่ในแคว้นเพอรีอรครับ และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกาได้บันทึกว่าพระเยซูทรงสั่งสอนในธรมารมศาลาพวกยิวที่มีอำนาจตั้งตังตวเป็นศัตรูกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งในบ้านปลายชีวิตของพระเยซูนั้นพระเยซูทรงถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสถานน้รการก็เรียกว่าธรมารมศาลาหรือสิโน ก, กของชาวยิวอีก ต, ต่อไป ในรัฐสภาโตวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับหลังโกงมาสิบแปดปีเรียก ว, ว่าผู้หญิงหลังค่อมครับก็ค่อมไปข้างหน้าครับเพราะว่ากระดูกชันหลังโค้งงอไปนะครับทําให้เธอหลังโกงพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับเธอว่าพี่น้องเห็นนะครับว่าในกรณีนี้สําหรับหญิงหลังค่อมเขามองเห็นพระเยซู ค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะว่าหลังเขาค่อมลงพระเยซูไม่ได้ทําเหมือนกับเธอเหมือนกับคนอื่นๆนะครับคนอื่นนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะวิ่งมาหาพระเยซูหรือเดินมาหาพระเยซูหรือถูกคนแบกมาหรือพระเยซูเดินผ่านเคาร้องแต่ผู้หญิงคนนี้ยิงหลังค่อมคนนี้กลับกันครับพระเยซูเห็นเธอก็เรียกเรียก ผู้หญิงคนนี้จะต้องใช้ความเชื่อของเธอเดินมาหาพระเยซูครับและเมื่อเดินมาหาพระเยซูถึงในระยะที่ได้ยินเสียงของพระเยซูปกติแล้วพระเยซูก็ตรัสกับเธอว่าหญิงเอย๋ยเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วทีนี้ครับถ้าสังเกตดูการบันทึกของลู ก, กาท่านบันทึกค่อนข้างชัดเจน และโดยส่วนใหญ่แล้วท่านบันทึกละเอียดนะครับเราเห็นว่าในกรณีนี้ผู้หญิงแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยครับลูกาก็บันทึกนะครับสรุปให้เลยว่าพระเยซูเรียกและพูดกับเธอเลยรักษาเธอเลยพียนงคับนี่คือพระคุณพิเศษให้กับผู้หญิงหลังโกงคนนี้พระเยซูทรงวางพระหัตถ์บนเธอและชันงใดนั้นเธอก็ยืดตัวได้และข้อสิบสาม บอกว่าเธอสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีที่พระเยซูได้ทรงกระทําในวันสะบาโตแต่ในธรมารมศาลานั้นก็มีเจ้าของธรมารมศาลาหรือผู้ดูแลธรมารมศาลาครับเป็นคนที่มีอํานาจในสถานนำ้ำประการพระเจ้าในธรมารมศาลาก็เครองใจที่พระเยซูทรงรักษารโรคในวันสะบาโตในธรมารมศาลาคนนี้มี หน้าที่รับผิดชอบจัดระเบียบนมรมส ก, การ์เลือกสรรคนที่จะนําอธิษฐานอนุญาตเรียกคนให้อธิษฐานเชิญคนให้อ่านพระคัมภีร์และอธิบายความหมายพระคัมภีร์ที่อ่านในธรรมศาลาคนนี้เป็นผู้ที่รู้จกักพระคัมภีร์เป็นอย่างดีนะครับแต่ด้วยความน่าชื่นใจโคตของเขาเขาหันไปที่ประชาชนและพูดว่า มีหกวันที่ควรจะทำงานในหกวันนี้จงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันสะบาโตนั้นอย่ามาเลยนายธรรมสลาเขากล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูทรงล่วงละเมิดบทบัญญัติสิบประการข้อที่สี่ครับพี่น้องครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูตรัสตอบทันทีทันใดเลยนะครับในข้อที่สิบห้าบอกว่า โอ้คนน้าชื่อใจคดเจ้าทั้งหลายทุกคนได้แก้วัวแก้ลาจากข้อค้ามันไปกินน้ำเนี่ยมันสบาโตไม่ใช่หรืออันนี้คือแก้วัวแก้ลาจากข้อของใครครับพี่น้องแก้วัวแก้ลาจากข้อของตัวเองนะครับถ้าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นของตัวเองแล้วลราก็เรามีเหตุผลที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในวันสบาโตผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นหญิงหลังโกงสาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปีพระเยซูก็บอกว่าไม่ควรหรือที่จะให้เธอหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ที่ผูกมัดมาไว้ตั้งสิบแปดปีแล้วพี่น้องครับเหตุผลที่พระเยซูได้ทรงยกขึ้นมาเพื่อที่จะ้านเขาทำให้คนที่เป็น ปฏิปักกับพระเยซูและบรรดาผู้นำศาสนาในธรรมศาลาต่างๆนั้นต้องขายหน้าในขณะที่พรรคพวกพระเยซูประชาชนที่ฟังอยู่ก็มีความสึกว่าเป็นเหตุเป็นผลบันทึกว่าเป็นปรีครับเพราะสะรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทาคือการรักษาผู้หญิงคนนี้จากคำตัดเพียงไม่กี่คำพระเยซูก็สามารถช่วยให้ประชาชนเห็นความจริงที่ว่าในวันสะบาโตนั้น ทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์นะครับวันสบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สําหรับวันสบาโตพี่น้องครับเราจะมาดูดูกันนะครับว่าทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มนุษย์ได้อะไรในวันสบาโตหรือมนุษย์ได้อะไรในการรักษาวันสบาโตผมอยากจะสรุปนะครับมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตผู้นั้น รักษาพระพรมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตผู้นั้นเป็นคนที่เปิดตัวรับเปิดตัวรับพระพรมนุษย์ผู้ใดที่รักษาวันสบาโตเขาแสดงว่าเขาไว้วางใจพระเจ้ามนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตนั่นแสดงว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตนั่นแสดงว่าพระเจ้าดูแลเขาได้มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตเขากําลังมีชีวิตที่แสดงออกด้วยการเชื่อฟังมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบายโตเขาเชื่อเรื่องการพักฟื้นการรีทรีตการรีเฟชการรักษาตัว มนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่จะทําความดีช่วยเหลือคนบริจาคถวายมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสะบาโตเขากําลังมองไปที่พระเจ้าและเรียนแบบการพักสงบในพระองค์มนุษย์ผู้ใดที่รักษาวันสะบาโตเขาเชื่อว่าการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นพระพร มนุษย์ผ so ู of of hmm? ้ใดรักษาวันสบาโตเขากำลังรักษาใจของเขาและดูแลจิตวิญญาณของเขามนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตเขากำลังรักษาจิตวิญญาณของผู้อื่นและดูแลจิตวิญญาณของผู้อื่นมนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตเขากำลังละความกวนกระวานฝ่ายโลกและแสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์ผู้ใดรักษาวันสบาโตเขาให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองคอ์และสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าพระบิดาจะประทานให้ตามน้มัไทยและพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์อาเมน